มีความชอบใจแตกต่างกันยึดถือทิฏฐิแตกต่างกันอาศัยอยู่ในโครงสาวถีคือหนึ่งมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเทียงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 2. มีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกไม่เที่ยง นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสามมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสี่มีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกจะว่าเที่ยงก็มิใช่จะว่าไม่เที่ยงก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง หมีสมณะพราหมูพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกตนเองเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. มีสมณะพราห ม, มณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเจ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 13. มีสมณะพราหมูอกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ตนเองเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 14. มีสมณะพราหมพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 15. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 16. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์เกิดขึ้นได้เองตอนเองเป็นตัวการก็มิใช่ คู่อื่นเป็นตัวการก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงยังอื่นไม่จริงสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเกิดการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้คอเคือปากทิมแทงกันอยู่ว่าอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้มิใช่ธรรมธรรมต้องไม่เป็นอย่างนี้ธรรมต้องเป็นอย่างนี้ครั้งนั้นแหลในเวลาเช้าภิกษุจานวนมากครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนัที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสสมณพราหมณ์และปริพาชกจานวนมากผู้มีลทัทธิแตกต่างกันมีทิฏฐิแตกต่างกัน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 อาตาและโลกตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงยังอื่นไม่จริง 8. มีสมณพราหมูพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอาตาและโลกเกิดขึ้นได้เองตนเองเป็นตัวการก็มิใช่ผู้อื่นเป็นตัวการก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงยังอื่นไม่จริง9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 นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสิบห้ามีสมณพราหมณ์ผูหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง1ิบหกมีสมณพราหมณ์ผวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์เกิดขึ้นได้เอง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 ทำต้องเป็นอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานมูสัต์นี้คือพวกที่เถือทิฏฐิว่าเราเป็นตัวการพวกที่เถอทิฏฐิว่าผู้อื่นเป็นตัวการและสมณพราหมณ์พวกหนึ่งที่ไม่คล้อยตามทิฏฐิทั้งสองนี้ไม่เห็นทิฏฐินั้นว่าเป็นเหมือนลูกศร แต่สำหรับผู้ใช้ปัญญาพิจารณาจนรู้แจ้งว่าทิฏฐินั้นเป็นเหมือนลูกสอนย่อมไม่มีทิฏฐิที่ว่าเราสร้างย่อมไม่มีทิฏฐิที่ว่าผู้อื่นสร้างหมู่สัตว์นี้มีมานะถูกมานะร้อยรัดถูกมานะผูกพันไวชอบกล่าวถกเถียงกันในเรื่องทิฏฐิจึงไม่ล่วงพ้นสังสารวัตรไปได้ตติยะนาน า, นาติทยสูตรที่หก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 อารามของอนาถบิณิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสุภูตินั่งคูบันลังตั้งกายตรงเข้าสมาธิที่ไม่มีวิตกอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสุภูติผู้กําลังนั่งคูบันลังตั้งกายตรงเข้าสมาธิที่ไม่มีวิตกอยู่ในที่ไม่ไกลลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้กำจัดวิตกทั้งหลายได้กำหนดวิตกทุกอย่างที่เกิดภายในตนได้ด้วยดีล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องได้เป็นผู้มีอรูปสัญญาและโยคะสีประการได้อย่างสิ้นเชิงแล้วไม่ต้องหวนกลับมาเกิดอีกต่อไป สุผูติสูตรที่เจ็จบ8คขณิกาสูตรว่าด้วยหญิงโสเพนีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันกลันทกาณิวาปะสถานเขโครงราชครึสมัยนั้นในกรงราชครึมีนักเลงสองพวกมีจิตปฏิพัตยินดีในหญิงโสเพนีคนหนึ่ง เกิดการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นชกต่อยกันบ้างใช้ก้อนดินคว้างกันบ้างใช้ท่อนไม้ตีกันบ้างใช้ศัตราทำร้ายกันบ้างนักเลงเหล่านั้นถึงแก่ความตายในที่นั้นบ้างได้รับทุกปางตายบ้างครั้งนั้นในเวลาเช้าภิกษจจำนวนมากครองอันตราวาสศกเถือบาและจีวอนเข้าไปบิทบาทยังกรงราชครือกลับจากบินทบาท หลังจากชั้นอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเด็กกราบทุลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสในกรุงราชครืมีนักเกลงสองพวกมีจิตปฏิพัตยินดีในหญิงโสเพณีคนหนึ่งเปิดการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นชกต่อยกันบ้าง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 สิ่งทั้งสองนั้นเจือด้วยทุลีคือราคะเป็นต้นแก่ผู้ทุรนทุรายไฝ่ใจอยากได้รับอยู่สมณพราหมณ์ผู้มีสิขาอันเป็นสาระคือศีลวัดชีวิตพรหมจันทร์และการบำบวงอันเป็นสาระนี้เป็นส่วนสุดที่หนึ่งสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้ว่าโทษนการไม่มีนี้เป็นส่วนสุดที่สอง ส่วนสุดทั้งสองนี้มีแต่จะเพิ่มตันหาและอวิชชาให้มากขึ้นตันหาและอวิชชาย่อมก่อให้เกิดความเห็นผิดมากขึ้นสมณะพราหมณ์ทั้งหลายไม่รู้ส่วนสุดทั้งสองนั้นบางพวกก็จมติดอยู่บางพวกก็แล่นไปส่วนพระอริยะทั้งหลายได้รู้แจ้งส่วนสุดทั้งสองนั้นจึงไม่ตกไปในส่วนสุดทั้งสองนั้นและเพราะละส่วนสุดทั้งสองนั้นได้ จึงไม่สำคัญตนด้วยตัญหาทิฏฐิและมานะย่อมไม่มีวัตตะปรากฏคณิกาสูตรที่8จบออ 9. อุปาติทาวันติสูตรว่าด้วย มแมลงบินเข้าไฟเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเคครงสาวัตถีสมัยนั้นในความมืดมิดแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่แจ้งมีประทีบน้ามันลุกโพลงอยู่ขณะนั้นมแมลงจํานวนมากตกลงรอบๆอบที่ประทีบน้ามันเหล่านั้นถึงความทุกข์ ความพินาศย่อยยับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นแมลงจำนวนมากตกลงรอบๆที่ประทีบน้ามันเหล่านั้นถึงความทุกข์ความพินาศย่อยยับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสมณะพราหม์พวกหนึ่งแล่นเลยไปไม่บรรลุธรรมที่เป็นสาระชื่อว่า พ, พ่อพูนเครื่องพันธนาการใหม่ๆยิ่งขึ้นยึดมั่นในสิ่งที่ตนได้เห็นแล้วและฟังแล้วอย่างนี้จึงตกสู่หลุมฐานเพลิงตลอดไปเหมือนแมลงตกลงสู่ประทิพน้ำมันฉะนั้นอุปาติทาวันติสูตรที่เกจบ 10. อุปชันติสูตรว่าด้วยแสงหิ่งห้อยกับแสงอาทิตย์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณิกาเศรษฐีเคครุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาดแล้วนั่งณที่สมควรเดียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอัญญเดรธีปริภาชกเป็นผู้ที่มหาชนสักระเคารพ นับถือบูชานอบน้อมได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศปรุขานตราบเท่าที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแต่พอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วอัญญะเดรถีปริภาชกก็เป็นผู้ที่มหาชนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่นอบน้อม ไม่ได้จีวรบินาบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพับริขารบัดนี้พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมได้จีวรบินาบาบเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศบริขารพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงอย่างนั้นอานอนันยัติเดรถีปริภาชก เป็นผู้ที่มาหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมได้จีวรบินบาบเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริคารตราบเท่าที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกแต่พอตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วอัญญะดิรถีปริภาชกก็เป็นผู้ที่มาหาชนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือ ไม่บูชาไม่นอบน้อมไม่ได้จีวรบิณทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพสัช บ, บริการบัดนี้ตถาคตและภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพสัต บ, บริการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธะอุทานหิงห้อยนั้นส่องสว่างอยู่ได้ช่วเวลาดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็อาบแสงและไม่ส่องสว่างได้เลยอัญญเดรถีก็เหมือนกันรุ่งเรืองอยู่ได้ช่วเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกแต่เมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเมื่อนั้น อัญญเดรถีพร้อมทั้งสานุสิทธิ์ก็อับเฉาหมดความรุ่งเรืองอีกต่อไปพวกเขามีความเห็นผิดจึงไม่พ้นจากทุกข์ไปได้อุปชันติสูตรที่ส0บจบชัดจันทวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวร์นี้คือหนึ่งอายุสังขาโรสัชนสูตร 2. สัตตะชดินละสูตร สปัจเวคขณะสูตร 4. ปฐมมนานาติทิยสูตร 5. ทุติยนานาติทิยสูตร 6. ตติยนานาติทิยสูตร 7. สุภูติสูตร 8. คณิกาสูตร 9. อุปาติทาวันติสูตรสิบอุปปัชชนติสูตร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 สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรชี้แจงให้ท่านพระโละกุลตกะพัทิยะเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเล้าใจให้อาจหารกแกล่วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำมีคาถาโดวยวิธีต่างๆจิตของท่านพระโละกุลตกะพัทิยะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสารีบุตร ชี้แจงให้ท่านพระละกุลตะกะพัทิยะเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาจหารกแลกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกาถาโดวยวิธีต่างๆจิตของท่านพระละกุลตกะพัทิยะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า พุทธอุทานบุคคลหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำไม่หลงเข้าใจว่านี้เป็นของเรานี้เป็นตัวเรามีจิตหลุดพ้นได้เด็ดขาดอย่างนี้ชื่อว่าข้ามพ้นโอคะที่ตนยังไม่เคยข้ามได้ไม่ต้องมีพบใหม่อีกปฐมมะละกุณตกะพัทธิยสูที่หนึ่งจบสองทุติยะละกุณตกะพทธิยะสู ว่าด้วยพระละกุณตกะพทธิยะเถระสูตรที่สองเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนนทบิณกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรสำคัญท่านพระละกุณตกะพทธิยะว่าเป็นพระเสขะจึงชี้แจงให้ท่านพระละกุณตกะพัทธิยะเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้ า, ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำมีคาถาโดวยวิธีต่างๆยิ่งกว่าประมาณพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสารีบุตรผู้สําคัญท่านพระละกุนตกะพัทิยะว่าเป็นพระเสกขะจึงชี้แจงให้ท่านพระละกุนตกะพัทิยะเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำเมถาโดวยวิธีต่างๆยิ่งกว่าประมาณลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลตัดวัดตะได้จึงบรรลุถึงความไม่หวังแม่น้ำคือตัญหาที่ถูกอรหัตรรมขยานทาให้เหือดแห้งแล้วจึงไหลไปอีกไม่ได้วัตะที่ตัดได้แล้ว ย่อมไม่หมุนวนได้อีกสภาพนี้แหละคือความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทุติยะละกุณตกะพัธิยะสูตรที่สองจบพามปฐมมาสตสูต ร, ตรว่าด้วย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 ครั้งนั้นในเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาตหลังจากชันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรเดียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสมนุษย์ทั้งหลายในกรุงสาวัตถีโดยมาก เป็นผู้ติดใจในกามทั้งหลายเกินขอบเขตเป็นผู้ยินดีรักใคร่เพล่ดเพลินหลงไหลหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสัตว์ทั้งหลายติดใจในกามคล้องด้วยกิเลสเครื่องคล้องในกามไม่เห็นโทษในสังโยชน์ คล้องใกิเลสเครื่องคล้องคือสังโยชน์จะพึงข้ามโอคะอันกว้างใหญ่ไม่ได้เลยปฐมสัตตสูตรที่สาจบ 4. ทุติยสัตตสูต ร, ตรว่าด้วยสัตติติดยูเนกามสูตรที่อสองเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเจตวัน ารามของอนาถเป น, เนิกะเศรษฐีเขโครงสาวถีสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายในกรุงสาวถีโดยมากเป็นผู้ติดใจในการามทั้งหลายเป็นผู้ยินดีรักใคร่เพลิดเพลินหลงไหลหมกมุ่นมืดมนมัวเมาอยู่ในการามทั้งหลายครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตราวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรงสาวถี ได้ทอบพระเนตรเห็นมนุษย์ทั้งหลายในกรุงสาวัตถีโดยมากเป็นผู้ติดใจในกามทั้งหลายเป็นผู้ยินดีรักใคร่เพลิดเพลินหลงไหลหมกมุ่นมืดมนมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสัตว์ทั้งหลายมืดมนเพราะกามถูกขยรัดรึงไว้แน่น ถูกเครื่องมุงบังคือตัญหาปกคลุมไว้ถูกเครื่องผูกคือความประมาทผูกพันไว้เหมือนปลาในค้องสัตว์เหล่านั้นจึงไปสู่ความแก่และความตายเหมือนลูกโคที่ยังไม่อดนมวิ่งตามแม่โคชนั้นทุติยสัตตสูตรที่สี่จบหอประละกุลตกะพทธิยะสูตรว่าด้วย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 พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระลักุนตกะพัทยะมีผิวพรรณหยาบไม่น่าดูมีร่างกายค่อมเตี้ยถูกภิกษุดูหมิน่นกำลังเดินตามหลังภิกษุทั้งหลายมาแต่ไกลจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นภิกษุรูปนั้นผู้มีผิวพรรณหยาบไม่น่าดูมีร่างกายค่อมเตี้ยถูกภิกษุดูหมิน่นกำลังเดินตามหลังภิกษุทั้งหลายมาแต่ไกลหรือไม่ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเพราะเธอเคยเข้าสมาบัติมาแล้วแทบทุกชนิดเธอใช้ปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่คุณบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้ปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเธอจงดูรถซึ่งมีส่วนประกอบอันไม่มีโทษมีหลังคาขาวมีเพลาเดียวไม่มีทุกข์แล่นไปถึงที่หมายตัดกระแสไม่มีเครื่องผูก อปะระละักุตตกะพัทธิยะสูตรที่หจบหตันหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นไปแห่งตันหาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้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 พิจารณาความหลุดพ้นเพราะสิ้นตันหาอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานพระอริยบุคคลใดไม่มีรากไม่มีพื้นดินไม่มีเถาจะมีใบแต่ที่ไหนใครเล่าควรจะติเตียนพระอริยบุคคลนั้นที่เป็นปราดพ้นจากเครื่องผูกแล้วพระอริยบุคคลนั้น แม้เทวดาก็ชื่นชมถึงพรมก็สรรเสริญตัณหาสังขยะสูตรที่หจบ7ปปัญจักขยะสูตรว่าด้วยความสิ้นไปแห่งกิเลสเครื่องเลื่อนช้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเคครุงสาวัตถีสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งพิจารณาถึงการละส่วนสัญญาอันประกอบด้วยกิเลสเครื่องเลื่อนช้าของพระองค์อยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบถึงการละส่วนสัญญาอันประกอบด้วยกิเลสเครื่องเลื่อนช้าของพระองค์อยู่จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ใดไม่มีกิเลสเครื่องเลื่อนช้าและการดำรงอยู่ในสังสารวัฏ ก้าวพ้นที่ต่อและลิมสลักได้แล้วชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่ดูหมิ่นผู้นั้นซึ่งไม่มีตัณหาเป็นมุนีเที่ยวไปปาปัญจคยสูตรที่เจ็ดจบ 8. กัจจานสูตรว่าด้วยพระมหากัจจานะข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเจตวัน อารามของอนาถบินคิะเศรษฐีเคครุงสาวถีสมัยนั้นท่านพระมหากัจจานะนั่งคูบันลังตั้งกายตรงมีกายยัคตาสติที่ตั้งมั่นภายในตนอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตร <Pues S 2> เห็นท่านพระมหากัจจานะผู้กําลังนั่งคูบันลังตั้งกายตรงมีกายยัคตาสติที่ตั้งมั่นภายในตนอยู่ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ใดพึงเข้าไปตั้งกายกตาสติไว้ในการทุกเมื่อว่าถ้าในอดีตกรรมกิเลสไม่พึงมีแก่เราในปัจจุบันอัตภาพนี้ก็ไม่พึงมีแก่เราในอัตภาพนี้กรรมกิเลสจะไม่มีแก่เรา ในอนาคตวิปากวัฏก็จะไม่มีแก่เราผู้นั้นมีปกติอยู่ด้วยอนุปปภวิหารในการทั้งสามนั้นพึงข้ามพ้นตัณหาที่ชื่อวิสัติกาได้โดยเวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้นนั่นแลกระจานสูตรที่8จบ อุทปาณสูตรว่าด้วยบ่อน้ําข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจ้าริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูใหญ่ได้เสด็จถึงถูนคกามหมู่บ้านพราหมณ์ในแคว้นมัลละชาวถูนคกามผู้เป็นพราหมณ์และขหาพดีได้ฟังว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายทราบว่าพระสมณโคดมสักระยบุตร ผู้เสด็จออกบวชจากสากยะตรกูลกำลังเสด็จจาริกไปในแคว้นมันละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จถึงถูนครามโดยลำดับผู้เขาจึงใช้หญ้าและแกลบถมบ่อน้ำจนเต็มถึงปากบ่อด้วยตั้งใจว่าสมณะล้นเหล่านั้นอย่าได้ดื่มน้ำครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแวะลงข้างทางเสด็จเข้าไปยังควงไม้ต้นหนึ่ง ประทับนั่งบนพุทธาที่ปูราดไว้พระผู้มีพระภาคครั้นประทับนั่งแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนอนมาตรัสว่าอานนอ์เธอจงนําน้ำดื่มจากบ่อน้ำมาเพื่อเราครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนอนได้กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ บ่อน้ํานั้นถูกชาวถูนคามผู้เป็นพราหมณ์และข้าบดีใช้แย่และแกลบถมจนเต็มปากบ่อด้วยตั้งใจว่าสมณะโลนเหล่านั้นอย่าได้ดื่มน้ําพระพุทธเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานน์เธอจงนําน้ําดื่มจากบ่อน้ํานั้นมาเพื่อเราท่านพระอานน์เรียกราบทุลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้บ่อน้ำนั้นถูกชาวถูนาคามผู้เป็นพรามและข้าบดีใช้แย่และแกลบถมจนเต็มปากบ่อด้วยตั้งใจว่าสมณะโลนเหล่านั้นอย่าได้ดื่มน้ำพระพุทธเจ้าค่าแม้ครั้งที่สาพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานน์เธอจงนำน้ำดื่มจากบ่อน้ำนั้นมาเพื่อเรา ท่านพระอานนุนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถือบาทเดินไปที่บ่อน้ำนั้นครั้งนั้นบ่อน้านั้นเมื่อท่านพระอานนุนเดินเข้าไปถึงน้ำก็ล้นขึ้นมาพัดเอาหญ้าและแกลบทั้งหมดนั้นออกไปจากปากบ่อเหลือแต่น้ำที่ใสสะอาดไม่ขุนเต็มเปียมถึงปากบ่อขังอยู่ดุดไหลออกจากปากบ่อได้เองลำดับนั้นท่านพระอานนุ์คิดว่า หน้าอาจจรรย์จิงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงบอ่อน้ำนี้เมื่อเราเดินเข้าไปถึงน้ำก็ล้นขึ้นมาพัดเอาหญ้าและแกลบทั้งหมดนั้นออกไปจากบอ่อเหลือแต่น้ำที่ใสสะอาดไม่ขุนเต็มเปียมถึงปากบอ่อขังอยู่ดูดไหลออกมาจากปากบอ่อได้เองครั้นแล้ว ท่านก็ใช้บาตรตักน้ำนำเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเดือกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรจริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบ่อน้ำนี้เมื่อข้าพระองค์เดินเข้าไปถึงน้ำก็ล้นขึ้นมา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 พุทธอุทานถ้าน้ำมีอยู่ตลอดเวลาก็ไม่จำเป็นต้องขุดบ่อน้ำพระพุทธเจ้าเช่นเราตัดรากตันหาขาดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเที่ยวสแสวงหาน้ำหรือปัจใจอย่างอื่นอุทธปานาสูตรที่9จบ 10. อุเทนสูตรว่าด้วยพระราชวังของพระเจ้าอุเทนถูกเผา ข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขโครงโกสัมพีสมัยนั้นเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จประาพาสพระราชอุทยานภายในพระราชวังถูกไฟไหม้หญิง500คนมีพระนางสามาวดีเป็นหัวหน้าต่างเสียชีวิตทั้งหมดครั้งนั้นในเวลาเช้าภิกษุจานวนมากครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเข้าไปบินธบาทยองกรุงโกสัมพีกลับจากบินธบาทหลังจากชันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จประาพาสพระราชอุทยานภายในพระราชวังถูกไฟไหม้ หญิงห้าร้อยคนมีพระนางสามาวดีเป็นหัวหน้าต่างเสียชีวิตทั้งหมดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคติของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรพบหน้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาเหล่านั้นที่เป็นโสดาบันก็มีที่เป็นสกทาคามีก็มีที่เป็นอนาคามีก็มีภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาเหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่าไม่ตายเปล่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสัตว์โลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันย่อมปรากฏเหมือนสมบูรณ์ด้วยเหตุคนพานมีอุปธิเป็นเครื่องผูกพันถูกความมืดหุ้มห่อไว้ย่อมปรากฏเหมือนย่างยืนนิรัน แต่ผู้เห็นอยู่ย่อมไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอุเทนสูที่10บจบจุลวัคที่7จ็จบรวมพระสูที่มีในวันค this is o n ปฐมมละกุลตกะพัทธิยะสูตร 2. ทุติยะละกุลตกะพัทธิยะสูตร 3. ปฐมสัตตสูต ร, ตร 4. ทุติยาสัตตสูท 5้าอภรรละกุลตกะพัทธิยะสูตร 6. ตัณหาสังขยสูตร 7. ปรปัญจักขยสูตร 8. กดกจานสูตร 9. อุทปาณสูตร 10. อุเทนสูตร